สารเนื่องในวารพิเศษชุดนี้ 92 ปี 3 พฤษภาคม 2551 จังหวัด จึงได้ 2549 มาบรรยายทั้งเล่มหนังสือหลวงปู่สีมหาวีโรพระผู้ ผู้เป็นพระมหาเถระผู้เฒ่ากูลปลายปติมวัยรูปร่างสันทัดผิวเช่น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 นับได้ว่าเป็นดินแดนวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระผู้ ท่านเทวะธรรมีเมาวได้สติวิหาริกคือท่านเจ้าคุณ ท่านได้ 10 องค์สําคัญยิ่งคือท่านพระและจนมาถึงประเทศวิสุทธิมงคลมั่น อันนับได้ว่าเป็นกรรมฐานร่วมสมัยใน ทำให้แผ่นดินอีสานที่เคยแห้งแล้งกลับชุ่ม หมอดเง่าเหล่ากอของคนอีสานนับถือภูตผีบวงสรวงบูชาญานเป็นอติณวัตรไม่ได้ใส่ใจในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี้เองได้นำกองทัพธรรมกรรมฐานเที่ยวจาริกให้ผู้คนหายจากความหลงงมงายละทิ้งประเพณีที่ผิดๆ อันเป็นทางดําเนินสู่แก่นแท้ความจริงแห่งชีวิตชาว พระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งที่แน่นอนดังพระ ทั้งด้วยคำและความหมายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่ง ได้ทําแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายนั่นคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้ง ที่มีอยู่มากมายตามหัวไร่ปลายนาตามหัวไร่ปลายนาชายป่าเชิงเขาของถ้ำและรินผาที่ชาวอีสานเคารพนับถือถูกทำลายสัตถาลงด้วยพลังจิตและธรรมอันแกร่งกล้าของพระกรรมฐานพูดผีมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ได้ดับมอดลงแล้ว ได้กลายเป็นวัดวาอารามกรรมฐานผู้คนที่เคย หลวงปู่สีมหาวีโรท่านภาชนะสู่ดงธรรมธรัตตายกพลธรรมไปทั่วทุกหัวระแหงที่ว่าผีดุท่านได้ชนะในสิ่งที่เร้นลับเหล่านั้นจนชื่อเสียงของท่านกระฉ่อนไปทั่วภาคอีสานว่าหลวงปู่สีผีด้านท่านได้สะละในสิ่งที่ชาวโลกสละได้โดยยากคือบุตรภรรยาสัตสมบัติออกบวชตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ด้วยบุญญาบารมีน้ำใจของท่านจึงงาม ซึ่งๆประเทศอื่นๆเขาไม่มีคนวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและ หนังสือเล่มนี้คติธรรมปฏิปทาพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สีมหาวีโรแล้วมองอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนลึกอยู่ภายในนั้นก็คือจิตวิญญาณแห่งความเป็นคนภาคอีสานที่มีอารยธรรมเป็นปัจเจกในศาสตร์และศิลป์อันเป็นอินทามลีลาแห่งความดีงามแผ่นดินอีสานจึงเป็นปติรูปประเทศที่บุพเพกตปุตตชน เป็นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ย่อมสรุปได้ว่าตกทอดเป็นถึงพวกเปเปเปเป 12 ตุลาคมพุทธศักราช 2548 พระภิกษุภิสุทธิมงคลหลวงปู่สีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอสี ปรากฏขึ้นเหมือนของทิพย์ที่ 2506 ด้วยปฏิปทาอันแกร่งกล้าน่าอัศจรรย์สู้ตายเพื่อเช่นอินเดียจีนอินโดนีเซีย ท่านได้ก่อสร้าง 145 สาขาทั่วประเทศทั่วประเทศถาวรวัตถุที่สําคัญยิ่งคือ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 ณบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของนายอ่อน นี้ราชภัยราชไพและทุพิกไคคือความจังหวัดมหาสารคามอยากแร้นแค้นมาจากคือดงบังบังนาเชือก ทอดยาวไปถึงนาดูนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นป่าดงพรั่งดงไม้ ถึงตำบลเสือโกกในปัจจุบันทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ๆ มักเห็นฝูงสัตว์ป่าลิงค่างบังชนีหรือสัตว์ประเภทอื่นๆพา ทำงานหนักเอาเบาสู้ปฏิบัติตามคำสอนบุรุษพระชนอีสานที่ว่าลูกจะดึกไป ทั้งทั้ง 2 ทํางานทําบุญหัวเครียงกันหมายความว่า มีแสงรัศมีเปร่งประกายโชติช่วงลอยเด่นพระนึกว่าอยู่ในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์อารามงามยิ่ง กระลอยหมุนวนลงมาจากสุงๆแม้ตื่นจากฝันตื่นจาก เมื่อโยมมนฑาฝันอย่างนั้นด้วยความตื่นเต้นดี ผู้ท่านจะได้คนเอกเป็นมิ่งมงคล รง 6 ปีมะเมียอันเป็นปีม้าเด็กคนนี้จะตก มักมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพื่อนมากเกลียดคนไม่ตรงเวลา คราวนี้จะได้คนบุญมาเกิดนี้จะได้คนบุญมาเกิดจะต้องดูแลรักษา บิดามารดาและญาติญาติจึงรักเรามากไม่เคยดุด่าว่ากล่าวด้วยคําพูดอันอยากคาย ที่แปลที่น่าคิดน่าพิจารณาทางโลกอาจจะว่า นยามข้ำคืนดึกสงัดเดือนเมือสนิศไม่ทราบว่ายมพ่อตลอดจนชาวบ้านมันหายไปไหนในห้องอยู่ไฟก็ไม่มีจะมีก็เพียงแต่ทารกส่วนไหนนอนนิ ต่างคนก็ต่างถามมันหายไปทางป่าช้าเที่ยวถามเมื่อคนทั้งหลายติดตามไปและค้น กําลังเนั่งสมาที่อยู่ต่อหน้ากองพรที่ผ่านการเผาสพมาใหม่ๆกลินไแห่งสร้างรากศพยังคุกกลลอยู่กริยาของแน่ถุมจ้อยสงบนิ่งหน้าตาของใสเหมือนไม่ใช่คนอยู่ไปหรือพอดบุตรมาใหม่ๆยมพ่อและญาติญาติจึงนํายมแม่กลับบ้านพร้อมกับคําถามที่เกิดขึ้นก็หรือว่า ฟิหาท่าตารณ Journey หัวหากธรรมบันดนทำไมต้องมาในที่ที่เช่าโลก sava ทำไมต้องพามาป่าช้า ก็ต่างซุบซิบซักถามโต้ตอบซึ่งกันและกันโกเราหลหวุ่นวาย และจนที่จับตามองจากญาติพี่น้องและ อนา� Tagesกา ข้างหน้าจากเป็นอย่างที่ผูญ่าตายายให้ห้นทำไหนไว้บ้างหรือเปล่าหน augment เราเป็นเด็กพ่อแม่ก็สอนให้ทำงานง่ายๆชีควายออกเบล armourตามช้องทุ่ง ไปช่วยหาพอนต้นกล้าไปยังแปลงนาที่จะยี่เช่น ดอกดอกสารพีดงดอกสาระพีดอกนมแมวพัดเค้าในฤดูที่ดอกไม้บานจิกดอกร่างดอกหนมดอกในคว้า และถวายพระในตอนเช้าเรามีนิสัยนึกในบุญกุศลเสมอพระในตอนเช้าเรามีนิสัย เป็นเหตุให้คิดถึงว่าเป็นเพราะพ่อแม่ทําดีกับเรา ตอนเป็นเด็กป่วยเป็นผีดาษเกือบ 6 ปีเราเองเป็นเด็กป่วย จึงเอาขันโตบมาให้ลักษณะไม่เหมือนเด็กทั่วไปแล้วให้พวกในขณะที่เป็นเด็กน้อยอยู่นั้นเมื่อหลับลงน้อง เมื่อคนตกึกแล้วไปปรากฏนิมิตเห็นคนล้มตายเห็นซากศพคนหัว ประหนึ่งว่าเราสรรพโลกนี้ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นพี่น้องกันบางทีผู้ที่เคยเกิดเป็นแม่เราในชาติปางก่อนในชาติต่อมาก็มาเกิดเป็นมีเราบางทีพี่หญิงหรือน้องสาวก็เคยมาเกิดเป็นแม่เราบางทีพ่อ เช่นไม่รู้ว่าใครต่อใครเห็นเป็นไปต่างๆพบพากต่างๆไม่รู้ว่าใครต่อ แต่สําหรับสัตตะโลกทั่วไปแล้วคนไปเรื่องครบเรื่องชาติที่อาศัย มัตะบนสับสนวุ่นวายปนเปกันดุจอย่างนี้บางที ก็มาโอ้ลมให้นอนสอนให้สวด ให้บิดาว่ากล่าวไม่ตามใจแล้วล่ะก็เราจะรู้เห็น ที่หมู่บ้านขามฟ้อมมีโรงเรียนประชาบาลระดับประถมศึกษาอยู่ใน ดังเป็นเหมือนเสียงเพลงขับกล่อมมาเป็นระยะเป็นเหมือนเสียงเพลงขับกล่อมเด็กๆสนุก เป็นจอมพ่อแม่ใช้ให้เพราะ เพราะในเวลากลางคืนนอนฝันเห็นแต่ภาพผี พ่อแม่ให้บวชเป็นสามเณร 3 ครั้ง 4 ครั้งแต่ เดิมเป็นคนที่ขลาดตาขาวที่กลัวหลังจากบวชแล้วพระ และทั้งๆเหล่านั้นไปโยนทิ้งๆมาเด็ก เอาผ้าคาดเสี่ยงบ่าเหมือนพระห่มจีวรนั่งบนตั่ง เพราะแกล้งพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้สําเร็จหลวงปู่สีท่านกล่าวอย่าง เคยทราบอยู่เสมอว่าถ้าอยากรู้รสชาติ หาเรียนเรียนวิชาเพื่อความก้าว 6 เร 2478 เรา ส, 1 2 3 ที่จังหวัดมหาสารคามเรียนสารคามพฤษภาคมได้เห็นรถยนต์มหาสารคามเป็นโรงเรียนที่มี กวาดลานวัดทำความสะอาดศาลาท่านจะสอนอยู่เสมอว่าเธอได้ทิ้งหน้าทิ้งไคล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 ฝั่งหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช 2482 ย้อนมาสอนที่โรงเรียนหนองคุ้งตำบลเสือโก้อำเภอวาปี จึงจงห้องลําพองตนชอบใช้อํานาจ 2483 ทํา ปรารถนาที่จะศึกษาต่อให้มีความรู้สูงขึ้นวันหนึ่งได้จึง จากอำเภอวาปีปทุมถึงอำเภอบอระบือจากบอระบือมุ่ง พยายามถึงใจขึ้นรถหวนกลับมาบ้านขานป้อมอำเภอวาปีปทุม อันเป็นบ้าน 8 บาท 12 บาท ถ้ามึงกล้าเราถามเขากู 12 บาทเราจึงขับกับบ้านอย่างสบายใจเงินออก 2483 ใน 2485 ได้ย้ายไปเป็นครูสอนที่บ้านเหล่าปุดน้อย ท้าเที่ยวก็เที่ยวเถอะจริงๆถ้ากินๆแต่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นไปเพื่อความ ได้กินเนื้อวัวจนหมดเดินกลับออกมาๆถ้าว่า ถ้าว่าทํางานก็ไม่รู้จักเข้าร่วมตากแดด จิตใจปักไฝในทางพระๆ โรงเรียนหยุดเข้าวัด 2485 เป็น 22 ของนายสุธรรมาแสงจันทร์มูนและนางลาแสงจันทร์มูนบาทซึ่งเป็นเงิน ติดกับบ้านพ่อตาตามประสาชาว สั่งแม่ก่อนตายแม่ก่อนตายเรามีชีวิตกันอยู่เช่นนี้ พอให้แม่ได้พึ่งบุญพึ่งกุศลจะได้ตายไปดีจึง เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฟ้าดินเป็นพยานต่อหน้าแม่ ทำไมแม่ตายจึงแแหลนประหนึ่งนั้น ไม่มีวันลืมเลือนตั้งสัจจวาจาว่าจะบวช มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์บิดามารดามักจะจัดให้อุปสมบท กรุงเทพฯครุ่นอยู่ในภาวะสงครามชาติบ้านเมืองกำลังขาดครู พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระ 29 ปี เงินทองและสมบัติที่มีก็มอบให้ภรรยาเก็บไว้ใช้และได้มอบ ฝั่งหอนใจประหนึ่งว่าท่านจะไม่กลับมาครองโลกครอง เราจึงคว้ากระดาษมาเขียนใบลาออกต่อหน้าต่อและ คงจะช่วยขัดกล่าวจิตใจให้หมดจดดีงามจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้หมด คือบรรพชาอุปสมบทอุปสมบทที่วัดราชสังสันบ้านป่ายางตำบลหนอง 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2488 เวลา 09.00 น. นปิชฌายานามว่ามหาวีโรแปลความหมายว่าผู้มี ปี 2488 พรรษาที่ 1 กรรมพรรษาที่สำนักสงฆ์ฝ่าภูมัยบุญปัจจุบัน 2488 เรา เป็นผู้ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมผู้ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมกรรมฐานเป นายกกรรมฐานเฟื่องปูปีพุทธศักราช 2470 ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโล น้องแคล่วแคล่วกล้าฉลาดในเทศนาธรรมตั้งมั่นอยู่ในสัมมาปฏิบัติอุทิศตน อชุโดมอยู่ทางภาคเหนือ 2472 พระพุทธศาสนิกชน เลิกการนับถือพวกผีปีศาจหันมาตั้ง สำนักสงฆ์ป่าคูณไพบูลย์ปัจจุบันคือวัดประชาบำรุงอำเภอเมือง อุทรรัในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดคือทันทสุระการศึกษาเล่า ได้ทรงแสดงไว้ให้พระสาวกจดจําและนําไปประพฤติ ขอให้ขอเพียงท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระนิพพานมีพุทโธ ภาพลวงกับอารมณ์ภายในลวงกับอารมณ์ภายในให้เอาสติเป็น มาจากราคะโสภะโมหะถ้าหากใจบุตรชนนั้นพยายามบำเพ็ญ ที่พระอาจารย์คูลแสดงเกิดจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าปฏิบัติแดก งดการ 30 20 10 ท่านนั่งภาวนาผ่านทุกขเวทนาได้ข้อฉันอีกแต่ถ้า นั่งก็นั่งได้ทั้งคืนที่เกิดโอภาสแสงสว่างทุกขเวทนาที่มาก 9 10 เมื่อคิดเช่นนี้จึงนั่งต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายจิตวูบ เพราะก็มีแต่ปุงเอจิตของคนมันเป็นอย่าง เป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์จิตสงบสว่างเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเกิด พระอริยะเจ้าท่านจึงอยู่ไหนก็อยู่ได้นี้ ก็ไม่สึกจึงดําริภายในใจว่าลูกเมีย ในชีวิตเราที่จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทติด ก็ไม่น่าจะมาตำหนิเราตรงไหนขาดเราเพียงคนเดียวโลกมันคง แต่จิตใจนี้ปรารถนาเพียงพระนิพพานเท่านั้นเหมือนประหนึ่ง ซึ่งเป็นการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ในสมัยพระองค์ จึงตัดสินใจที่จะหนีเข้าป่าเข้าดง ต้องยอมแต่ก็ด้วยเหตุว่ายังอยู่ใกล้บ้านเกิดกราบไหว้ในคุณธรรมและความ quant แอบหนีเดินทุรดงไปตามป่าตามเขาไปหา จึงแล้วพระใหม่อย่างเราเป็นเข้าไปหาท่านศิษย์ของท่านได้แล้วพระใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2489 วันศาที่ 2 จำวันศาที่วัดป่าแสนสําราญอําเภอวารินชำราบ พระภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมสำนักกับท่านก็มีเป็นจำนวนมาก อาตมพอจดด้วยวัตตปฏิบัตตายร่มไม้ชายป่ากระท่อมน้อยเพิงหญ้าลานกลางแจ้ง แสงเทียนจุดไว้เพื่อเดินจงกรมเป็นเสมือนแสงแห่ง ที่พระอาจารย์บอกสอนให้ตามแต่จริตนิสัย เสนาสนะอย่ารักษาโรคเราผู้เข้าไปถวายตัวเช่นพระอาจารย์มหาปิ่น ท่านพ่อลีธรรมทโรพระอาจารย์ภูมิมีจิตธัมโมพระอาจารย์ดีฉันโนพระ ให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ๆพระภิกษุสามเณรผู้มุ่งหวัง เจ้าเรือนตลอดจนสละชีวิตเลือดเนื้อ ให้หมู่คณะว่ากล่าวตัดเตือนสั่งสอนได้ ไปฟังๆเหมือนกับว่าได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าท่านเทศน์ พอรู้จักแนวภูริทัตโต พุทธศักราช 2490 ฉันษาที่ 3 คันจําพรรษาที่วัดป่าบ้านนาแจ๋ เหมือนพระอริยะสงสารพวกทั้งหลายที่ท่านผ่านข้น และสิ่งที่ไม่ลืมได้นั้นก็คือถาม สาธุสาธุถ้าใครไม่แน่จริงไม่ดีจริงใครอยู่กับท่านไม่ได้ ร้องเจ็ดได้นานสักเท่าไหร่ไม่นานเดียวก็ เราว่าเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรประพฤติปฏิบัติทดสอบกับตัวเรา มีคุณธรรมและวัตตะปฏิบัติไม่เียงคอเกิดเป็นบ้าวิกลจริตสัญญา เราจะอยู่ไม่ได้จะมีสติไม่ได้เราต้องมันก็แล้วเท่านั้นแหละกับความเราอยู่คนเดียวภาวนามีบันไดสิบสองขั้นสติอยู่ริมฝั่งเหวเรา 5 เอาไม้ไผ่กั้นไว้เวลานอนก็นอนบนคล้ายไม้ ในเวลาเช้าออกไปบินธบาดเดินมิตรบาดก็เหมือนเดิน เรานั่งตั้งแต่ 4:00 น. ถึง 1:00 น. ก็นึกเอะใจ ถ้าหากเรานำมาใช้ได้จะพบประโยชน์ใหญ่หลวงถ้า เหมือนถ้าพูดถึงเสือก็ไม่มีใครกลัวเสือถ้าพูดถึงเสือก็ไม่มีใครกลัวแต่เมื่อเจอ เราไปอยู่เดือนเศษปฏิบัติเองแบบหัวล้างเกินครูมุ่ง คนชาวบ้านอาการของโรคชนิดนี้มันร้ายแรงมากนั้นเราจึงใช้สมาธิสู้กับโรคอยู่อย่างนั้นตกใจกลัวว่าจะ พวกชาวบ้านใจบาดยิงเสือตัวที่มันเฝ้าหน้าถ้ํา จึงนำน้ำมันของเสือตัวนั้นมาถวายผู้ใดขอไปกับท่านท่านไม่ห้ามใหญ่เรา อย่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครพึ่งคนอื่นท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครถูกก็ไม่ปลุก เดินนั่งเฝ้าอยู่ไม่สบกันเลยเดินหนีเที่ยวกรรมฐานต่อไปๆครั้งครั้ง ท่านไปแบบไม่มีทางจะไปทางไหนไปเลยตอนเชื่อใจเจ้าของนั่นแหละคืนไปแบบไม่มีทางจะไปทางไหนๆ ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการมาปฏิบัติก็มากผู้ที่ ผลลูกสู้สู้ขึ้นทันทีเลยอยู่ในป่าในเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณ 5 เอ๊ะใคร หลวงพ่อผงขนลุกสู้ขึ้นแรงกว่าเดิมอีกคืนที่ 2 ท่านก็ ท่านพระอาจารย์ธรรมดีทางจังหวัดยโสธรขึ้นไปอีกก็ มีพระทั้งขอนจันทร์นี่แหละไปอยู่ท่านเอาแม่ชีแม่ขาวไปด้วย ถึง 8 องค์กลับขึ้น 2 ตาย 5 5-6 ทุ่มเดือนมืดๆเอ๊ะ เดินไม่ใช่หน้ามันเป็นสัญญามาเตือนดูมันผิดปกติสัญญาไม่ถูกแล้วใช่หน้ามันเป็น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 เดี๋ยวจะพังลงมาทับกันตายถึงจะต้องตายก็ตามแต่ก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่จะลั่นฮึบๆสึบๆจะพังลงมา พุคจะล้มสลบทะยานดูตัวเองน้ำตาไหลมองเห็นคนกำลัง ชาวบ้านทันแนะให้นิดเดียวเท่านั้นแหละไปมันไม่มีค่าอะไรเลยนะคนเรานี่หลวงปู่มันก็ไปทั่วหลวงปู่มั่นการฝึกสติให้มีความระมัดระวัง กลัวแต่มันจะผิดจะพลาดอันนี้เรียกว่าเป็นการ เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ายุ่งว่ายาก อันไหนพอเอาออกไหนพอก็ต้องแก้ไขลักษณะปรับปรุงจิตใจก็เหมือนกันอันไหนพอเอาไว้อะไรพอปรับปรุงใหม่ก็ ทำชั่วได้ชั่วจริงๆเจ้าของนี่แหละเป็นคนได้เรื่องของพระพุทธศาสนา ขั้นนี้ได้แก่นิมิตคือสมาธิถ้าหากเป็นสมาธิอีกหน่อยหนึ่งขั้น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 จึงได้กระทําบําเพ็ญมาแต่ชาติต่างก่อนถ้าใครมี ดูเหมือนจะมีนิมิตเกือบทุกวันถ้าจะนํามาพูดให้ 11ๆ คราวไม่นอนมันทั้งวันทั้งคืนเราไปอยู่ถ้ำพระเวทไม่นอนมันทั้ง โดยมีๆเช่นจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนม ปี 2491 วัน 4 ท่านได้จําพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าเป็นที่ทิ้ง จํารคํา 2483 ถึง 2484 ท่านพระอาจารย์มั่นคูริสโตได้ ผมได้เห็นภูริทัตโตมีพระรูปหนึ่งซึ่งประดิษฐ์กรรมฐานของ 5-6 วัน 1, 1 ครั้งศิษย์สายกรรมฐานเช่น เมื่อปล่านั้นจะดีใจตกมาชโลมรถท่านพระจารย์มั่นจะเช่นว่าใจและลิงโลดสักปาน อย่าส่งจิตไปในอดีตอนาคตถ้า 84,000 ธาตุออกมาจากจิตหมดให้เอา ไม่ต้องคงใจไปในอดีตอนาคตให้ลบอารมณ์ภายนอกออก และผมก็จะไม่ลืมจนเฒ่าทุกวัน ไปทรมานผีพระญาองค์หนึ่งอยู่ดงน้ําเข็นท่านพิจารณา ทางแดนต่างข้นเข้ามหาสมบัติอยู่อย่างนั้นไม่รู้จีพบกกี่ชาติไม่รู้จีกับกี่กัลป์มาแล้วดังนั้นใครไปใกล้ก็ไม่ได้ใครไปใกล้ก็ไม่ได้ใครไปเอาปืนก็ไม่ได้สุขย่ำหลอกหลอนทันทีหวงแหนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสิ่งของต้นไม้ไดย่าในบริเวณนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงนั่งแผ่เมตตาจิตอยู่อย่างนั้นแต่แล้ว มีนั้นท่านไม่สนใจอะไรมารบกวนเรื่อยๆมันมาทําท่าถึงขังเสมอ ถ้าใครไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานก็ๆมันเอาไปไม่ได้ ไปสู่สวรรค์หลังจากที่อยู่ที่นั้นมานานนับกลับนับ ในปลายปีพุทธศักราช 2491 ได้ถูกลงมาทางแถวผาน้ำย้อยที่นี่เป็นดงเสือใต้ถ้ำเหงื่อผาน้ำย้อยมีแต่ขี้เสือเต็มไปหมดชาวบ้านเข้ากลางมีอยู่ 15 ถึง 16 รังคาเรือนไม่มีสนนหนทางต้องเดินเท้าเข้ามาเส้นทางที่เดินไปไม่มีแดดส่องถ้าเดินเดือนมีนาเมษา แต่แล้วมันก็เปลี่ยนรูปมาอย่างนี้แล้วมันก็เปลี่ยนรูปมาอย่างนี้ เกิดก็เกิดอยู่ในป่าก็เกิด ใน 2492 วันศาที่ 5 ท่านจําพรรษาที่หลายลูกหลายแห่งคงพอตัวแล้วในเรื่องสมาธิภาวนาหนองหรือตําบล 2492 จึงตัดสินใจเดินทางจากภูเขาเขียว ตามฝ่าคุณเดียวท่านถามเคยไปอยู่ภูเขานี้บ้างกราบก็เคยไปอยู่บ้างแล้วครับตอบเออก็พอมีสติอยู่บ้าง ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตลอด จะเป็นพระหรือโยมก็ตามขอให้เก็บหอกเก็บดาบเอา จึงเริ่มตั้งความเพียรให้หนักหน่วงกว่าเดิมเป็น ต้องมีทางได้บรรลุผลตามประสงค์มีเมื่อมีเหตุผลก็ต้องมีได้บรรลุผลตามประสงค์สิ่งเหล่าผล ไม่ว่าใครก็ตามว่าใครก็ตามถ้าตั้งใจก็ย่อมได้ไม 12 ปี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 ในการประพฤติปฏิบัติมันสถิตขึ้นเองมันเป็นผลถอยได้ทั้งๆ เป็นคนหลอกทําอะไรไม่มีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษยังอยู่ พระอาจารย์บันอุตตมงค์และหลวงตามหาบุญญารสัมปณโนเป็นพระผู้ ควรราวตามขึ้นไปนวดเส้นถวายบนกุฏิในบางครั้งท่าน เมื่อเราคิดอย่างนั้นบางทีท่านก็กระแอม ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทั้งจิตใจให้เกิดความสงบแต่ท้องนั่งไปมันจะล้มจะตายนักเข้าต้องมาลดละอาหารเหมือนที่เคยปฏิบัติมาเมื่อฝึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆในที่สุดชั้นอินเต็มที่ก็นั่งหานทุกขเวทนาได้ตลอดจนกว่าจิตใจจะเกิดความสงบ เราจึงรู้ว่าเราเป็นคนนิสัยวาสนายากมากแต่เราก็ มีแต่ความสุขความเบากายๆ ท่านไปสอนจนกระทั่งสมเด็จสมเด็จท่านก็ปีบางวันท่านนั่งทั้งวันทั้งคืนบางครั้ง ถ้าพูดให้มันฟังมันไม่เชื่อเชื่ออยู่แต่มันไม่ทําทําแต่ เทคโน้เสียงหนูร้องรู้จักภาษาสัตว์หมดดูสินกร้องท่านก็รู้ ลิงอยากไปจับตังตังก็คือยางไม้เหนียวจับแล้วยางเหนียวมัน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 ตัวเองบ้างเพราะตัวของตัวเองท่านน่ะเดียวกันผู้ ปราบใจจนกระทั่งมันอยู่นิ่งต้องเป็นผู้กล้าพระ พระอาจารย์กงมาจิระปุญโญพระอาจารย์หลุยจันทสาโรพระอาจารย์ชอบฐานัสสมโณเมื่อท่านเหล่านี้ มากราบเยี่ยมอาการๆว่าไม่ให้อยู่ในที่ดีๆให้ แต่ก่อนท่านเข้าไปฝึกหัดอยู่ในภูในเขา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 ตัวอันนั้นอันนี้อยู่ไปอยู่ในภูเขาแหละมีเสือมีช้างอะไรไม่ได้รับรู้แต่จิตแมลงอะไรมันร้อง โดยนั้นเออมีค่ําแล้วเริ่มตั้งแต่นี้แหละเดินจงกรมทีนี้นกแสงแสว เดินจองครมอยู่อย่างนั้นเดินปลีกแข้งตึงหมดเท้าขาไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ค่อย เวลานอนมันก็ไม่ยอมให้นอนนะเอาหัวแม่มือมาจับหัวแม่ ไม่มีอะไรนะอะไรนะกลางวันมันก็มาดึงแต่ฟางไม้ไผ่กว้างๆขนานห้องนี้แหละกลางวัน จงประมาณไม่กว่าอยู่กลางดงฝั่งเหวมันไม่มาฉันมันมีบ้านอยู่ 4 หลังเค้าใส่ กลางคืนเอาถึงขนาดนั้นนะนั่งใจนี้ไม่ใช่ธรรมดานะทั้งพูดอยู่คนเดียวถึงเช้าเอาถึงคิดดูตัวเจ้าของนั้นนะมันถึง ลองก็รู้อยู่ภายในจิตตลอดเวลาสมาธิตั้งจิตกำหนดดูก็รู้อยู่การไป รู้อยู่ในเรื่องของจิตความคิดความนึกให้รู้อยู่ตลอด หอห้องไหนมันลําบากท่านจะจัดให้ไปเลยอยู่ที่ไหน เรื่องของจิต, แต่มันหาวิธีอยากให้นอน, นอนนอนจิตนอนถ้า เพราะมันได้สัดส่วนเป็นรอบมันเราไม่ได้อ้อนวอนสัดถึงระยะมันก็เต็มของมันและมันจะเป็นไปเองเราไม่ได้ มันเป็นของมันเองผลิดอกออกผลมาเองแล้วก็ใหญ่ ขวางอยู่อย่างนั้นสร้างไม่ได้สร้างแต่เหตุอย่างเดียวมันจะ คนมันหาเกิดมีพวกเทวดาเองหรอกหลวงปู่มั่นท่านค่ําสอนอย่างกันแล้วก็ เขาสงสัยธรรมะข้อไหนก็ถามขึ้นเลยถามแล้วท่านก็อธิบายให้ฟัง และท่านยังเล่าเรื่องน้องชายของท่านในอดีต นี่นี่ไม่จําเป็นจะต้องฟังอะไรมากมายก่ายกองนอก เวลาเรานั่งสมาธิสังเกตดูในร่างกายจิตใจไม่ต้องเกี่ยวเราก็เรียกว่า ทำมันสงบในที่นี้สงบจากอารมณ์ภายนอกมาสังเกตดู อุปมาเหมือนกับเรือเรือใหญ่ก็มีหางเสือไม่มีคนคายก็คือ การตั้งสติสติกับก็ๆทำนองเดียวกันฉันนั้นสมัยที่อยู่ คนตายมากมายกายกองตายมากมายก่ายกองศึกของแกพอโยเยๆแต่ว่าอย่างนั้นหลังจาก ว่าอย่างนั้นพุทธะตัวเดียวนิ่งไม่ส่งหน้าส่งหลังมีพลังเกิด และปัจจุบันก็เห็นประจักษ์อย่างที่กล่าวมาแล้วหลวงปู่ใหญ่หลวง อีมุนเวียนเกลียดใจจะตายนั่นแหละไม่อยากให้มีโรคก็ เดี๋ยวก็เกี่ยวพอเป็นประเพณีแต่เร่งเข้าในทาง การตายของท่านผู้ยิ่งใหญ่มากล้นด้วยบุญบารมีอย่าง พอตกเดือน 5 ท่านว่า ในแผ่นเมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เลิกหน้า ตามดําริของท่านโดยทําเสดียงมีคนหามครั้ง 8 คน ท่านพระว่าพวกญาติๆแท้ เกิดมาแล้วก็แก่ตายก่อนจะตายทานยังไม่ให้ก็ ท่านก็และวันที่ 11 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2492 เวลา 02.23 น. ท่าน พุทธศักราช 2493 วัน 6 ท่านจําพรรษาที่วัดต่าบ้านหนองผักตบ จึงอยู่ในภาวะระส่ำระสายกระวนกระวายอย่างไม่เคย เมื่อฟ้าดินถล่มต่อหน้าต่อตาจะ และทั้งหมดใกล้เชียงส่วนเราเดินทุรดงรอนแรง บนเพ้อภายในใจว่าท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่น ก็คงหาได้ยากยิ่งนักแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคําสั่งคํา ผ่านมาจากเชือกเขาภูพานออกเที่ยว ที่ฤดูการเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วมีบ้านน้องผักตบวาสนาได้เข้าไปศึกษาในเช่น หลวงตามหาปุญญสันตะโนพระอาจารย์บรรอุตโมพระอาจารย์ๆพอ ด้วยได้โยมเน็บโสมนาคอิ่นเป็นผู้ปฏิบัติอุปถารเอา นั้นก็คือยาธรรมะโอสถจากนั้นจึงตกลงปลงใจตั้งสัจจะ พิจารณาสังขารเพียงอย่างเดียวทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นใน ของโดยสะดวกทั่วถึงไหลวนๆของร่างเพียง 3 วัน 3 น. นขข1 2 3 แต่ 3 ของการปฏิบัติโรค สมาธิก็สามารถรักษาโรคได้ก็สามารถรักษาโรคเอา ปี 2494 วันสาที่ 7 ท่านจังหวัด 2493 ถึง 2494 เราได้ติดตามท่าน เรามาสู้สงครามสงครามโลกสู้โลกในตัวเราสงครามโลกคือขันห้าแต่ไม่ใช่โลกข้างนอกโลกใน ในสมัยเมื่อไปอยู่ในป่าในเขาเราจะไปอาศัยอะไรอะไรกระโน้นสมัยเมื่อไปอยู่ในป่าในเขาเราๆมันก็ ถ้าเรามีสติเจตจ่ออยู่ตลอดไม่นานก็จะเกิด จะเกิดสงสารตัวเองจนน้ำตาไหลว่าการกระทำ เราได้ติดตามท่านอาจารย์มหาบัวสู่ดงไปทางบ้านห้วยทราย เมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งมหาบัวท่านอาจารย์มหาบัวเข้มงวดปวด ท่านจะเดินเข้าไปใกล้ถุนกุฏิเงียบๆและฟังเสียงว่า ถัดไปมาหรือเบิกออกแล้วก็คําเอาข้อปฏิบัติที่ ยึกน้องผือทุกกระเบียดนิ้วท่านตีและเห็นพระเนนโดย ทุกรูปทุกนามต่างก็เร่งความเพียรเหมือนจะสิ้นจีรชาติในวันนี้หรือ ก็ได้อาศัยแก่นไม้รากไม้ตามธรรมชาติให้พระเนนนำมาต้มให้ฉันนานๆทีจะมีน้ำอ้อยสักก้อนนึงบางทีพระเนนป่วยเป็นไข้มาลาเรียกันทั้งวัดหรือบางทีพระเนนทั้งวัดป่วยกันหมดคงเหลือแต่ท่านอาจารย์มหาบัวกับพระอีกรูปนึงเพื่อพระเนนป่วยกันหมดท่านอาจารย์มหาบัวท่านก็เป็นผู้ปัดกวาดลานวัดซะเองกักน้ำเองขัดถูศาลาเองตั้งน้ำใช้น้ำฉันเอง ในสมัยนั้นหลวงปู่มหาบุญมีสิริคโรท่านก็อยู่ที่นั่น 22 เดือนอีก 2 2 ปี มันติดสำแดงไข้มาลาเรียเพียงจึงศอกออกมาเองโดยๆแล้ว ล้นดังผีหรือเทวดาฟ้าดินกังแคล้งทลายมะพร้าวที่ขาด เรเราฉันจนหมดเกลี้ยงเลยพอฉันเข้าไปเท่านั้นแหละหน้า ก็หายขาดอย่างน่าอัศจรรย์เหลือเชื่อต่อจากนั้นก็ เขาจะเป็นเราจะอดทนสู้ได้หรือไม่ตายมันยิ่งจะมากมายยิ่งและเออ เรางง22 คืนคือจากตะวันวัน 6, 6 คืนบางครั้งท่านสมาธิเฉพาะๆท่านอาจารย์ ต้องพิจารณาหาหนทางออกไปจากทุกๆ เป็นปัจจัยอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งทั้งหมดที่เกี่ยว โชคโชนมามันก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวไหร่ในโลกก้อนนี้เรื่องของ ก็ถ้าหางไม่รู้เองเห็นเองแล้วขั้นตัดสินหมายความว่าตนเองได้ตามหลักกัจจธรรมถ้าๆๆ ไม่รู้ว่ามือมันวางตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้บอกให้มันวางใจมันสั่งให้วางตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันลักษณะของจิตก็เหมือนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ๆเช่นยึดมั่นถือ ไม่ยอมละยอมละไม่ๆฉะนั้นกําลัง อยู่ปราสาทวิมานสูงๆเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวมีที่ คนจะแต่ประการใดติดหมอมเมาในสิ่งเหล่านี้ เขาจึงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีข้อสําคัญให้เราเข้าไป ถ้าจิตใจง่ายๆแต่ต้องอาศัยสติคือความรู้รู้ควบคุมเห็น อ่อนคิดพิจารณาให้รู้เรื่องพอขยับออกมาให้ห่างๆหน่อยปัญญามันก็เกิดขึ้น มันยอมรับทันทีเลยเพราะว่ามันเห็นปัจจุบันนี้เรา ยิ่งสลบยิ่งสังเวชขึ้นความสงบก็เลยเวลา หรืออุปจาระสมาธิอุปจารสมาธิถ้าถอยออกมาขั้นขณิกะสมาธิมัน คล้ายกับว่าเข้าไปฝึกกับว่าเข้าไปฝึกเข้าไปฝึกฝนให้จิตใจมี โดยมากฤาษีชีไพรท่านนักประพฤติปฏิบัติไปถึงขั้น มีความเคารพนุบนอบพระเนนเป็นอย่างมากเป็นนักภาวนาภาวนา มีเราเป็นหัวหน้าและพระอีกสองสามรูป 2-3 รูปในขณะที่เดินรอนแรมบุกป่าป่าดง โจรเขาอันแหลมคมวิ่งตรงเข้ามาหวังจะเกว็ดพระให้ตายพระ 2 3 รูปตกใจวิ่งสะเลర్หลีหาที่กำบัง ส่วนเราเมื่อเห็นดังนั้นจึงตั้ง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 กลับย่างอยู่ที่เขาพาน้ําย้อยเป็นภูริทโต ขอย้อนเท้าความหลังสักเล็กน้อยย้อนท้าวความแต่ให้หยุดภาวนาเสียก่อนสักเดี๋ยวจะมีคนมาโปรดน้อยท่านพระอาจารย์ ณวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร เข้าใจว่าตนเองสําเร็จแล้วแต่แต่เข้ากันอยู่อย่างนั้นเสียแสดง พอนิ่งพอมันหายจากขณะนั้นแล้วจิตก็รู้ตัวออก ผมไม่นอนเกรงกระทั่งสว่างถ้าพูดตามภาษาพระพุทธเจ้า นั้นเป็นความอัศจรรย์และเป็นธรรมโมชัพพัญญาของหลวงปู่บัวสิริปุญโญ ทางนี่ พระสรรหาร 2495 วันศาที่ 8 ท่านจําพรรษาที่วัดป่าหนองแซงตำบล จะสร้างวัดกรรมฐานที่บ้านหนองแซงจังหวัดอุดรธานีจึง ผ่านมาทางท่าคันโธทะลุถึงเมืองลิงอำเภอกุมภาวาสีเข้าสู่ตัวจังหวัดอุดรธานี มีท่านจึงแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วนคือส่วนของวัดสามร้อยไร่ก็ต้องมีบ้านท่านจึงแบ่งที่ดินออก และได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังต่อไปอีก การแสวงหาอรรถธรรมตามคําสอนของพระผู้ พวกนายพรานผู้มีใจบาปฆ่าตายก่อนจะตายทนได้ เพื่อมาโปรดผีนายพรานตนนี้ให้พ้นจากทุกข์ด้วยวัด ทำตามคำสั่งของท่านได้เสมอหลวงปู่บัวกล่าวว่าแต่สําหรับ การดูว่าบุคคลใดมีบุญวัสนามากน้อยนั้นดูว่าบุคคลใดมีบุญวาสนาๆห้องเดียวเดียว พุทธศักราช 2496 ถึง 2498 พรรษา 9 ถึง 11 ท่านได้จําพรรษาที่วัดประชาคมวนารามป่าคุ้มจังหวัด 101 2496 หลวง ผู้เป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทโตและคณะประกอบ ซึ่งเป็นบิดาผู้บังเกิดเกล้าณวัดป่าบ้านมุกดาหาร นครพนมพนมอีกครั้งหนึ่งในเวลา เป็นหลวงปู่ศรีอดีตครูศรีที่สละโลจีออกบวชเมื่อชาวบ้านและหมู่ ถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นนิมนต์ท่านอาจารย์และคณะภักดิ์ คนชาวบ้านตลาดเรียนด้วยกิริยาอัน 200 ปี เพราะเหตุว่ามีคนเคยเห็นผีเปรตสูง ต้องการจะให้จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่เสนาสนะท่านบอกว่าจะพักให้ชั่วคราวก่อนกุ้งร้างเช้าวันต่อมาพวกชาวบ้าน ก็พากันมาทํากระท่อมมุงหญ้าคาหลังเล็กๆ ใน 3 ที่หลวงปู่ศรีพักณ4 เขาบอกว่านานมาแล้วยังขั้นจริงสงสารเคยเห็นพระปฏิบัติ และพระนิพพานต่อไปอันจะเป็นประโยชน์ใหญ่ในๆทั้งใกล้ และรับการอบรมเทศนาสั่งสอนจากท่านเป็นเนือง ก็ยังคงมีผู้สละบ้านเรือนออกมาบวชอยู่โดย ฉันข้าวไม่ได้มีแต่ถ่ายท้องอย่างเดียวไม่ได้มีฉะนั้นอย่ากินมากทายท้องอย่างเดียวหลวงปู่สีท่าน บางวันเดินจงกรมจะมีพวกกายทิพย์นําของมา ก็จะเอามาฝากเพิ่มอีกภายหลังเอามาได้สร้างพระเจดีบริเวณนั้นจริงๆปัจจุบันคือบริเวณที่สร้างเขา เขาก็เขาก็ยิ่งจะเอามาเยอะของเหล่านี้คนธรรมดาจะดูไม่เห็นมาฝากเป็นวัดเหนือหมดยิ่งถ้าสร้างเสร็จเขา ท่าน 2496 พวกแม่ใหญ่ล่าบ้านก่อปู่แสงเฒ่า 2497 ตัดทางบ้านเหล่าล้อๆข้าม ค่ำป่าค่ำดมมาตอนเช้าตอนเย็นค่ำค่อยชาย บางคนก็ทิ้งๆแถวเขาขวาช้าวัดป่ากุงวันไหน การบินทำบาดไกลยากลําบากแค่ไหนก็ตามอยู่ไกลแค่ไหนก็ เกี่ยวก็เอามาเกี่ยวหญ้ามีดก็เอามาทําเข้าด้ามได้ใช้ ทำให้มันเป็นประโยชน์เอาไปฉีกนุ่นออกเสร็จแล้วก็ซักเป็นอยู่กันมา บำเพ็ญปฏิบัติกันมาไม่คิดว่ามันจะเป็นวัดเป็นหวานนะ 2498 ไว้ ถ้าขาดระเบียบข้อปฏิบัติแล้วข้อ 1 พระเนน ข้อวัดสําหรับตอนลงรวมบนสาลาโรงฉันวันพอรุ่งสว่างเป็นวันใหม่ เมื่อฉันเสร็จแล้วทําข้อวัดของตนและช่วย เมื่อได้ยินเสียงระฆังเตรียมลงฟังเทศน์บนศาลาทุก 3 เม แล้วก็พักก็พักพอ พุทดงเมื่อออกพรรษาแล้วนครราชสีมาเมื่อออก 2498 ถึง 2499 ตามปกตินิสัยของท่านหลวงปู่ศรีมหาวีโร การที่ตามเปิด Studio ของเครื่อง הג tamamonn savour dเมament b เอาคือนว่า sogenan叫 gaz affordable 3 000, 3 เวลาท่านสั่งให้อยู่ที่ตรงไหนก็ต้องอยู่ท่านสั่งให้นอนตรงไหนก็ต้องนอนสั่งให้อยู่ที่ตรงไหนก็ต้องอยู่ท่าน ค่ําที่ไหนก็นอนที่นั่นจนผ้าขาดวินหมดเลยบางวัน ไปฉายไม่ขีดไฟหนึ่งปลักขโมยมันก็ยังเอา ที่ได้ร่วมปฏิบัติสมาธิภาวนากับท่านได้ร่วมปฏิบัติสมาธิภาวนากับเช่น ย่อมๆ ต่างคนต่างสุมหัวคุยกันคนต่างสุมๆให้พวกๆ10 เส้นๆ เมื่อชาวบ้านเห็นเข้าเขาร้องเรียกบอกกันว่าบ้านเห็นเข้าเขาร้องเรียกบอกกันว่าพระเป็นระยะระยะมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เมื่อมันได้เก่งคนอย่างพวกเรามันก็ตีนขุดดินดังครูดคราดครูดกาดเป็นเชิงขู่พระเนนที่อยู่ในกลดกลัวอกสั่นขวัญหายความกลัวตายที่เคยหลับสนิทมานานแสนนานถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงแห่งสัตว์ไพรเหงื่อแตกออกมาตามร่างกายเหมือนสายน้ำทางคนก็ต่างกลัวหากจะส่องไฟฉายดูก็กลัวว่าช้างจะเดินมาเหยียบขย้ำหัวเอาในความมืดมิดนั้นพระเนนและโยม ทางก็มานั่งรวมกันณที่แห่งเดียวต่างองค์ เพราะเรานี้ได้ฝ่าอันตรายอย่างใหญ่หลวง ที่เขาตอบหลักผูกเอาไว้ด้านหลังจอมปลวกๆ นอนก็นอนไม่ได้เกือบจะใจขาดตายตั้งแต่ พระตากรรมฐานรุกขมูลเสนาสนังก็กลัวตายเหมือนกันเนาะ มีพระขึ้นไปตายมาหลายรูปแล้วพระขึ้นไปตายมาหลายรูปแล้วถ้าไม่ณ แสงสว่างให้ท่านรู้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเจริญในทางธรรม นี่ไงน้ำนายพรานเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นก็ ท่านไปเตรียมสถานที่ไว้พาเวลาท่านขึ้นไปบนยอดเขาท่านก็จะมองดูควายที่เขาไปเลี้ยงกันไปแล้วก็เห็นแต่ลูกกระตาสถานที่ไว้หลังจากที่ท่านพักอยู่ที่เขาจอมทองเตรียมสถานจังหวัดร้อยเอ็ด สนองคุณบิดาด้วยอัตถะธรรมในระหว่างที่ท่าน ได้เข้มขัดในทางธรรมวินัยและเรื่องธรรมภายในใจ ก็เดินทางพลยานต่อไปได้ถามบิดาต่อไปว่า หลวงปู่ศรีได้กล่าวการเที่ยวภาวนาและยกตัว ก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช 2492 ประมาณเดือนพฤศจิกายนผมได้ แต่มันอันตรายมากไม่มีใครกล้าเข้าไปแถวนั้นมีเสือตัวดุร้ายอยู่ที่นั่นมันอันตรายมากไม่ ในที่สุดผมจึงขึ้นไปคนเดียวชาวๆป้องกันเสือเสร็จแล้วเขาก็ หลวงพ่อครับเพราะโตกรานขึ้นเท่านั้นแหละทั้งเสียงช้างถึงเสือคำรามใจที่ ปิดประตูเอามุ้งกดลงก็ยังกลัวอยู่มีแต่กลัวกลัวกลัวอยู่ทุกลมหายใจเข้า การที่หลบอยู่ในมุ้งกลดนี้มันไม่ตายหรือที่ที่มนุษย์ไม่ เป็นปราศจอมรวมเอาคราวนี้ล่ะมันกลัวตรงไหนเราจะแก้ ไม่ใช่อยู่กับเสือแล้วก็ตายไปกับเสืออยู่กับเสือแล้วก็ตายไปกับเสือพระ ใน 4 ตัดสินใจเปิดๆๆ มันจะได้จับไปกินเร็วเร็วจะดัดดวงใจที่แสนจะกลัวตายเมื่อออกไปเดินจงกรมไปกินเร็วจึงเอามือยกขาให้ก้าวออกจะสู้กับเสือภายในตายไวๆตัดดวง ได้บังคับจิตใจมาอยู่ดังนั้นคิดดวงที่เคยกลัว ถ้าเสือเข้ามาจะเข้าไปลูบหลัง เมื่อผมได้รับชัยชนะเรื่องความกลัวจิตใจก็ชื่นบาน ก็เดินจงกรมตามแดดอยู่อย่างนั้นทั้งวันจิตใจมัน อีกดวงนี้มันเป็นอย่างไรหนอแต่ก็ไม่สงสัยไปมากกว่านั้นนี้มันเป็นอย่างไรหนอแต่ก็ หลวงพ่อครับหลวงปู่ศรีกล่าวขึ้นผมมีเรื่องๆคือๆมา มันก็วิ่งเหยาะๆมาขวางทางด้านซ้ายไว้ครั้นเมื่อผมจะไป ที่วัดบ้านหนองถือขอๆ กับพระหลวงพ่ออ่อนศรีต่อไปอีกว่าเมื่อผมลงจาก มันเหมือนกับว่าฝ่ายน้อยที่เคยแอบไปกินกล้าข้าวถ้าเคยกินแล้ววัน เมื่อได้อุบายอย่างนั้นการที่เคยคิดว่าเป็นสวรรค์กลับกลายเหมือน มันอยากจะแวะเข้าไปๆ จิตของหลวงพ่อเวลานี้เป็นโมหะสมาธิ ให้พยายามพิจารณาทางด้า่นปัญญาด้วยการคลี่คลายสกรกายด้วยอนุโรม์และปฏิลมแกแจงให้เห็นสภาพความเป็นจริงด้วยอัสุภภาพอัสุพัง์อณิจารทุกขังอนณตา้ล้มปูสีส่ากล่าวจบลงพระหรือพ่ออ่อนถีได้จีติโดยความภาพซื้อในพระธทําคําสอนอันเป็นหลักแห่งความจริง สมแม้ พุทธศักราช 2499 วันที่ 12 ท่านจําพรรษาที่อําเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามมหาวีระอุตตกาารามจังหวัดมหาสารคามใต้ตำบลขามป้อม ทราบว่าที่เริ่มมาเกี่ยวข้องมากขึ้นทุกวันเนื่องจากในขณะนั้นหนองยังไม่หลุดพ้นไปจากทุกทั้งหลายมีป่า สมเด็จพระพุทธองค์นั้นทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทรงประทาน ทั้งชื่นใจเทพเทวดา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 ก็จะเชื่อจังหวัดมหาสารคามตนัสรายว่าเป็นสิ่งประเสริฐอย่าง เราต้องต่อสู้กับผีนานถึงสิบห้านาทีต้องต่อสู้กับผีนานถึง 15 นาทีผีมันถึงยอม เจ็บอยู่ที่ขาเราก็จะกําหนดจิตแทงเข้าไปแทงเข้าไป ให้คนไปกราบไหว้บูชาในบริเวณนั้นมีจอมปลวก พอต้องโดนผีเข้าทันทีถูกที่มันมีสิวด้ามหนึ่งตกดูเราเห็นว่าสิวนี้น่าจะเป็นประโยชน์เจียด 12 ไร่ๆเอผีตัว ขณะที่เดินไปใกล้คลองน้ํามันก็กระโดดมาเกาะขาพึบเลย ให้ดูแลวัดวาด้วยแล้วพวกผีก็แห่ช้างแห่ ได้ความขบขันต่อไปว่าความกบขันต่อไปว่าอย่าว่าแต่คนเลยนะท่านผีก็ 3 ไอ้ผีระยำผีก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เพราะเขาก็เสีย เราก็ทุ่มหมดตัวเหมือนกันก็ที่ไหนได้หมดตัวเหมือนกันนึกว่ามันจะแน่ ในสมัยนั้นสมัยนั้นพระสารีบุตรและๆ2 สหายสหาย เราจะสหาย<ส> 3 สหาย 7 8 หรือทำลายยอดภูเขาได้ปฐพีหนา 24,000 โยชน์ไม่อาจรอง จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุท่าน มีอนุภาพมากอานุภาพมากยังพอเป็นไปได้เหตุการณ์ที่ป่านนี้ท่านมีอนุภาพมากกล่าวว่าผม พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับการเจรจา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 จะใช้เวทมนต์คาถาไม่ได้ทั้งนั้นบางทีเกิด เอาพลังแล้วใช้ประโยชน์ได้หมดเรานี่แหละให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้แล้วใช้ ก็พากันเฮโลไปบางคนไม่มีค่ารถค่า จะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเคยมีพระๆต้นไม้แห่งหนึ่งไม้แห่งๆ ปรากฏมีดุ้นปืนติดไปคว้างหนักก็ พลังจิตของเราต้องถึงจะมาก็มาไม่ถึงกว่าเขาถ้าหากมีพลัง อำนาจเป็นของลึกลับสมาธิมีมากจริงๆเป็นพึ่งอย่างอื่นพึ่งไม่ได้หรอกลึกลับคือมีความรู้จริงอย่างนี้แหละทําให้มันความ ผู้ประพฤติปฏิบัติตามผู้เดินตามรวมแล้วพระพุทธธรรมประสงค์รวมอยู่ใน แม้กระทั่งเดินไปใช้ๆก็รู้ว่าตรงไหนมันอ่อนตรงไหนมันแข็ง SEÑง มีผีสามนางไม้ที่ไหน มันถึงมันห시�วงก็รู้จัก มันห่วงมากห่วงน้อยก็รู้จักพันทีเมื่อจิตเรามีกําลังจะกํานดเท่งพวกผีปีสารท่านไม่ให้ไปทำลายเขาอำนาจของจิตนี้มันแข็ง LAUGHTER ท่านห้ามทำราย อย่างท่านเวลาไปที่ใดพระมหาบัว พุทธศักราช 2500 ถึง 2504 พรรษา 13 ถึง 17 ท่านประจําพรรษาที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้าน 2493 กํานันโครมารังสีเป็นพายก ซึ่งติดกับป่าช้าประมาณ 100 ไร่เพื่อสร้างเป็นวัด ต้องรอ 2500 หลวงปู่มุกดาหารพุกดาหารนครพนมเข้ากราบพระธาตุพนมแล้ว รีไปนิมนต์หลวงปู่สีมาโปรดชาวบ้านสามเฒ่า มาอยู่ที่ศาลาสถานป่าแห่งนี้ผู้คนศรัทธา แต่ก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรบางวันพระไปบิณฑบาตก็เอากบ เมื่อชนทั้งหลายชนทั้งหลายเห็นผู้ที่ประทุษร้ายต่อท่านหลวงปู่เป็น และอนุรักษ์ป่าเดิมเอาไว้เมื่อท่านได้สร้างวัดเป็นหลักฐานมั่นคงแล้วป่าเดิมเอาไว้เมื่อท่านได้สร้าง ท่านได้ๆว่าสมัยท่านอยู่บ้านหางเป้าจังหวัดนครพนม อาคุธธบากเดินออกไปก่อนเพื่อนตอนเช้าจึงเจ็บเอาไว้ออกไปก่อนเพื่อนเห็นปากกาด้ามหนึ่ง มีเรื่องอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายใน ไม่มีใครยอมรับเมื่อไม่มีใครยอมรับยอมรับเมื่อไม่มีใครยอมรับในที่สุด เจ้าของของเขาซึ่งเจ้าของเขาไม่ได้ให้ถือ แต่พระรูปนี้อยู่ในระหว่างยังไม่แน่นอนพระรูปนี้อยู่ใน 2504 หลวงปู่ มาจังหวัดมัดป่ากุ้งจังหวัดร้อยเอ็ดมีพระโน้น ที่ติดตามผมมาต้องการมุ่งต่อแดน 7 น, 2 บาท ต้องไปยังเดินผ่านทางบ้านด่านสาวดอยนาแจจังหวัดสกลนครมีแต่เข้าป่าดงพงลึก เป็นความสง่างามของพระกรรมฐานเพราะสถานที่เหล่านี้ พักอยู่ข้างนอกถ้ําส่วนหลวงปู่ศรีท่านพักอยู่ ใช้ไม้ไผ่ในท่านรู้ระยะทางเป็นอย่างดีต้มน้ำยาสีฟันจะใช้ เวลาฉันให้พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปิณฑปาตังโดยแยกคาย มัวเมาในรสชาติใดเช่นนั้นเราจะเป็นหุ่นเชิดของกิเลนไปโดย ท่านจะเรียกสามเณรมาบอกว่าเนยน้อยเนยน้อยน้ำมัน พอมาพอตะวันบ่ายคล้อยลงจากภูเขาหลังภูพานมาทางจังหวัดกาฬสินธุ์ข้ามป่าข้ามภูเขาข้ามถ้ำมาถึงเขื่อนลำปาวจากนั้นก็ไปบ้านนาขามดงแม่เท็จเข้าเขตจังหวัด 101 อำเภอโปนทองนาบ้านคำผองออกไปอำเภอจำลาไส้ข้ามแม่น้ำชีพักอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้ว มาจังหวัดจังบัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช 2505 ถึง 2506 วัน 18 19 ท่านจําพรรษาที่วัดป่าศรีสมพรมวลดง 2505 ถึง 2506 หลวงปู่ นิยมอาศัยปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ตามป่าช้าอาศัยปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ตามป่าช้าเมื่อท่านใน และได้อบรมสั่งเช่นหลวงปู่วาจตสันโลชาวจังหวัดนครพนมในสมัย ท่านจะแนะนําให้ไปอยู่ในป่าช้าที่น่ากลัวเพราะว่า อยู่ที่ไหนมันก็ตายทั้งนั้นแหละเห็นมั้ยกิ้งจกทุกแกเขาๆมัน นักเข้าเข้าจากคนที่ขลาดก็จะกลายเป็นคนกล้าหาญนี้ 2506 อันดำริว่าเราปรารถนาจะปลีกวิเวกตามสมณวิสัยเพื่อห่าง เหมือนคนมีบุคคลนั้นจะตั้งตัวรับและยืนหยัดอยู่ต่อไปได้อย่างไรเป็นร้อยเป็นพันล้าน นี่เป็นสมบัติอันติรังมั่นคงจะสร้างความสุขให้เราได้ เหมือนแมวน้อยตัวซึมๆได้แต่นึกถึงคํา ใจกล้าที่สุดจึงจะถึงมรรคถึงผลจึงย้อน ได้แต่นึกถึงหลวงปู่บัวสิริคุณณวัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีจึงตัดสินใจเที่ยวธุดงค์ภาวนาผ่านป่าเขาและพักตามถ้ำโดยจุดหมายคือเข้าหาหลวงปู่บัววัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์ทองอินทร์ผู้ติดตามหลวงปู่สีในครั้งนั้นได้เล่าว่าออกจากจังหวัดนครพนมแล้ว เดินทุรดงมุ่งหน้าไปยังอำเภอนาแจจังหวัดสกลนครเข้าพักที่ถ้ำตาถ้า เวลาฉันอาหารท่านสอนให้พิจารณาถ้ามองเห็นเนื้อเห็นอะไรต้องพิจารณาลงไป ที่บางครั้งอารักขรักษาอยู่บางครั้งมีงูเหลื่อมนอนขวางทาง ต้องใช้ความอดทนมากหลวงปู่ศรีมหาวีโรและคณะพระ หลวงปู่บัวท่านเล่าว่าจิตของท่านได้ผ่านพ้นจาก พูดแต่ภาษาธรรมะล้วนๆดังพระสาวกในครั้งพุทธกาลแม้จะมีแขกโยมที่ไหนมานมัสการก็งดพักเอาไว้ก่อนด้วยว่าเวลานี้เป็นเวลาธรรมฉากรฉาหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการปฏิบัติเพื่อยกกิจขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงนั่นเองเมื่อสนทนาธรรมจบลงหลวงปู่บัวทันบังคับเชี่ยวเข็นหลวงปู่สีว่าจิตเสื่อมแก้ยากนะท่านสี สติสมาธิและปัญญามันก็เสื่อมไปด้วยกันและปัญญามันก็เสื่อมไปด้วยกันจิตวิ่งไป จิตเสื่อมรักษาให้ดีเอาต้องตั้งใจให้ดีถึงจะได้ยากต้องต้องเร่งปฏิบัติจิตเสื่อมนี้ต้องใช้เวลาดีตัดความกังวลให้ดีอย่าได้ ความเถลือนในการสนทนาดังที่ผมเล่ามายิ่งการเสื่อมครั้งนี้ของท่านในการไม่เพียงแต่สมัยนี้เท่านั้นความเถลือนใน ใน 7 ท่านไม่ยอมให้เกิดขึ้นยังทำอัตตะ ปรินิพพานแล้วขอให้ท่านเด็ดเดียวเอาอย่างพระ เกิดความตังบนกลายเป็นความปริวิตกทําอะไรร้องเพลงขับไปพลางว่าจะผิด ทำละเอียดของท่านอย่างรุนแรงเหมือนอย่างที่พระบรมศาสดา ไม่ได้หวั่นไหวไปตามอำนาจเสียงและกิเลสขั้น ให้ท่านนั่งสมาธิอย่ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดอย่าไปเดินจงกรมหยุดเราจะไม่ยอมลุกไปจากที่เดิน ได้ปฏิบัติดังตั้ง 5 วัน 6 คืน 12 ชั่วโมงเกลียน 1 ครั้งเกลียนคือขยับ ใน 24 ชั่วโมงยกขาขึ้นเตียง 2 ครั้งหั่นเอากา ประหนึ่งว่านรกทั้ง 8 หลุมมาเกิดรวมพร้อมกันที่กายใจเรานี้ทั้งหมดถึงขนาดที่ว่ามันดังสะเทือนไปทั่วสันปรางร่างกายร่างกายร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผาเร่าร้อนไปหมดปรากฏว่าน้องเท้าซ้ายที่มีเนื้อหนาหนาเกิดพุพองโตขึ้นเข้าหัวแม่มือร้อนคุคลุณเหมือนถูกไฟเผาลนอยู่อย่างนั้นเสียรับทุกข์ทรมานแสนสาหัส คันอาศัยอธิวาสนขันติคือความอดทนอย่างสูงสุดนั่งพิจารณาคลี่คลายสังขารขันธ์ ปราดเปรียวว่องไวคอยไม่รู้จักจบสิ้นทนหลวงกิเลสซึ่งเป็นเสี้ยนหนามคอย ความเพียรกล้ามีเท่าเพื่อให้ปรากฏความจริงพุ่มเทลง จิตหมดการๆอย่างประจักษ์ใจ 4 5 อายตนะ 6 การทะเลาะบาดหมางลังเลสงสัยสับสนวุ่นวายในดีและ ถึงความเป็นอัตมโนภิกขุคือผู้มีใจเป็นของตนไม่ หลวงปู่ศรีท่านก็เดินจงกรมอยู่ตรงนั้นผมก็อยู่ตรงนั้นเท่าแจ่หกและลูกน้องก็อยู่ตรงนั้นหลวงปู่ก็พูดกับผมว่าถ้าเท่าแจ่หกมีธุระจำเป็นเราซึ่งจะคุยด้วยแต่ถ้าเขาไม่มีธุระจำเป็นอะไรก็ให้เขากลับไปซะผมก็เลยถามเท่าแจ่หกว่ามาหาหลวงปู่ทำไมมีธุระอะไรหรือเปล่าเท่าแจ่หกตอบว่ากล่าวไม่มีอะไรหรอกแค่อยากมากราบท่านเฉยๆ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 ของมหาวีโร ดงภูเก้าภูพานคําเมื่อหลวงปุสีมหา ท่านจึงเมตตาอนุเคราะห์นําธรรมบรรณาการไปแจกแจงสัตตะโลกที่เป็นเพื่อน แม่รวยเวนภูเก้าภูพานธรรมมีสถานที่ให้ท่องเที่ยววิเศษมากมายเหมือนตลาดใหญ่แห่งมรรคผลนิพพานที่ชาวโลเกศผู้ติดตามจะได้ลิ้มรสบ้างเช่นคูชันคูรวกคูหังคูเมยและมีถ้ำอยู่โดยรอบคือถ้ำเสือตกถ้ำมดงามถ้ำพลาญไห้ถ้ำสามตาถ้ำกังไกร ผู้พิจารณาธรรมในระหว่างทางที่ขอลากลับเดินทุรดงนั้นผ่านบ้านโสก้า มีบ้านเพียน 2 ถึง 3 หลังแล้วเดินต่อไปยัง มีเรื่องราวมากมายที่ลงปุษีและพระอาจารย์ทองอินเล่าให้ฟังแต่ผู้เฉียนบันทึกลงพิมส่วนเดียวเพื่อไม่ให้เนื้อความเสื้อสถานที่แห่งนี้อุดมด้วยธรรมชาติและเทวะอารักมีลานหินลาดยาวสุดสายตา อีกทั้งต้นไม้ใหญ่เป็นทิวแถวตามแนวเขาและที่สําคัญ และภัตตนิยภาพอันสุดพิเศษนี้เองหลวงปู่สีทินหยุดณที่ เมื่อก่อนชาวบ้านแถบนี้ไม่มีที่พึ่งจึงนับถือผี แต่นั้นพระกรรมฐานรูปแล้วรูปเล่าที่กิริยาธรรมยังไม่ ร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นดินกองเพเนินเทินทึกผู้ใหญ่บ้าน ว่าพ่อใหญ่ใจเพื่อไปขุดหาของดีที่อยู่ใต้เหิน เข้าพงศ์ดงนึกหายรับไปกับตาหาไม่เจอจนเฒ่าทุก หลวงปู่ศรีท่านเมตตาเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าแถวภูเก้าอำเภอโนนสรรจังหวัดสกลนครผีปู่หลุกซึ่งเป็นเจ้าแห่งถีคำว่าผีปู่หลุกหมายความว่าผีตาโบ๋ดวงตาเท่ากับดวงไฟรถยนต์และตานั้นก็โบ๋เข้าข้างใน พอพระเข้ามาอยู่เขาก็มาทดลองทันทีถ้าจิตเรายังไม่ถึงเขาจะไล่หนีไม่ให้อยู่แม่หญิงคนหนึ่งชื่อว่ายายเลิงเป็นร่างทรงของผีปู่หลุกผีปู่หลุกเมื่อเข้าสิงแล้วร่างทรงมักจะพูดว่าเฮ้ยพระมาอยู่นั่นไม่ใช่พระหรอกถ้าเหลิงห่มต่อเฉยๆไล่หนีซะอย่าไปใส่บาตรให้มันกินนะร่างทรงใช้วาจาเบียดเบียนท่าอย่างนี้บ่อยๆพระบางองค์ไม่ได้ฉันข้าว บางองค์ถูกยายเลิงที่ถีปู่หลุบเข้าสิงออกปากจะเป็ดจะต่อย ประเทศทีรายเขาเทศน์เออแบบนี้อยากเจอเหมือนกันพอ ฝันบวนควบคลขอไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้ โจรมาที่ไหนก็มาขโมยลักเอาไปไม่ได้ไม่ต้องขุด และทั้งที่ไม่ใช่ของตนก็ตัวเอาๆ นอนเผอนอนฝันหน้าบออยู่ในหม้อนรกทั้ง แล้วก็เป็นผู้มันจะน่าดูเสงี่ยมนั่งนิ่งเหมือนสัตว์ร้ายทุกข์ทรมาน พระองค์ไหนจิตใจเป็นอย่างไรแจรู้หมดหลังจากนั้นคน ก็ถือว่าบริบูรณ์มากแล้วในสายตา ดงไปภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านพระอาจารย์อินทตะคุณโยมซึ่งเป็นพุทธศักราช 2506 ได้ลงจากภูเก้ามา มีระยะระยะสิงสารายจัดเริ่มจะชุกชุมใช้ เป็นที่สงบสงัดสัปายะ 2498 ทุกอย่าง ซึ่งไปพักถ้ำพระถ้ำกว้างเชิงเขาภูเวียงเมื่อท่าน 15 83 กม. มีสายน้ำจากเช่นเจ้งกวางหมีงูป่าและเสือเป็นต้นถ้ำพระมีลำทาง ยังมีหนังสือไบลานเก่าแจ่หลายฉบับท่าแห่งนี้เป็นสถานที่สัติ์สิธ์เก่าแจ่ของชาวปูเวียงหรือฤดูการทําบุญประเพณีชาวอําเภอปูเวียงนิยมมาทําบุญและกการะนี้ได้ขาดเมื่อล้มกุดสีท่านอาจารย์โปรดช่วยเมตาหน่อยช่วยปราดเปรดตัวดูร้าย<มา> มันมักไปหลอกหลอนและก่อกวนชาวบ้านอยู่เสมอมัน ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามากลายเป็นสายลมพัดวูบๆ ข้าพเจ้าชื่อว่านายพรหมด้วยเหตุที่เท้าข้างหนึ่งของข้าพเจ้าถูก 2465 ข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าพยายามยกพระพุทธรูปจากที่ประดิษฐานแม้จะพยายามช่วย เมื่อพวกเราได้กระทําอย่างนั้นแล้วพระพุทธรูป ด้วยพากันทำลายองค์พระพุทธรูปด้วยมีดขวาน เพียงชาติเดียวเท่านั้นภาพเดียวเท่านั้นเมื่อต่อมาพวกเราทั้งหมดทําอธิษฐานในที่สุด ข้าแต่ท่านผู้ทรงพระทรัพย์เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เลือนการเรียนท่านอีกเรื่องหนึ่งว่าเมื่อครั้งเป็น ครอบงทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณะหรือของสงฆ์เอามา ข้าพเจ้ามีรูปร่างชั่วสีสาร่างกายผอมโซนักหนาเนื้อและเลือดไม่ได้มีเลยทั้งร่างมีแต่กระดูกและหนังที่พอจะห้องกระดูกเท่านั้นเพราะไม่มีอาหารจะรับประทานหน้าท้องเหี่ยวติดกระดูกสันหลังดวงตานั้นก็ลึกกลวงดูดถูกเขาแกล้งพักออกท่าศักดิ์ชิ้นหนึ่งที่จะติดร่างกายก็ไม่ได้มีเลยผมก็แสนยาวรุ่มร่างลงมาปกปากและหน้าเนื้อตัวเหม็นสาบสิงสาหน้าเกลียดหน้าขยะขยะ ต้องร้องไห้โคนครางอย่างน่าเวทนาเพราะความ ดังแล้วมาแต่ไกลว่าสู่เจ้าทั้งหลายเอ๋ยจงพา พวกเราจึงอุตส่าห์พยายามต่อกันล้มลุกล้มหงายใน ได้ยินเสียงเรียกมารไจให้พยายาอีกแต่จะได้เจืออาหารสักนิย์ก็หานี้ได้ได้ยินจะเสียงร้องเรียกไปอย่างเดียวถ้าแต่พระกุญเจ้าผู้ประเสริิดพระพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้หลายร้อยหลายพันตรีจนกว่าจะสิ้นเวงกรรมเปรดนายคมศีนแปกล่าวทั้งน้ําตาที่หลังไหลดังสายน้ําหลุงภูสีได้กล่าวสอนไม่เมตาต่อไปอีกว่าขอให้เจ้าท่านใจรับส่วนบนที่เราอุทิศท้ และความดุร้ายลงเสียอย่าไปเที่ยว ปี 2507 ถึง 2530 พันศาที่ 20 ถึง 42 คันกําพรรษาที่ ตำบลโพทองอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนับเป็นเวลา 8 ปีที่หลวงปู่ศรีท่าน การกลับมาของท่านในคราวนี้ดั่งลําแสงแห่ง รอยยิ้มแผ่สายและจิตใจที่ชื่นบานแผ่ปกคลุมไปโดยทั่วกระแสลำแสงแห่งธรรมภายในของหลวงปู่สีเจิดจ้ายิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าวันนั้นเสียอีกเพี้ยนน้ำคือกิเลสชั่วยากคือราคะโทสะโมหะตัณหาอวิชชาอุปาทานที่มีอยู่ดาเนินเที่ยวทิ่มแทงดวงจิตของมนุษย์และสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่มีคนและพระกบาทอีกจํานวนไม่น้อยในเขตนั้นที่อิจฉริษยาในการกลับมาของท่านถึงขนาดเที่ยวเปล่าประกาศว่าคอเมือนิกลับมาบ้านแล้วคนเหล่านี้เที่ยวขัดฝวางแสดงอํานาจบาทใหญ่แต่ไม่มีใครอาจรู้ได้ว่าการกลับมาของท่านในขาวนี้ท่าเล็กครองวิมุติสุขเหล่าเทวาอารัก์มาแสดงความยินดีอนุโมธนา ในธรรมวิเศษและก็รับท่านอย่างดาดดืนในยะ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจากทางราชการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นโดยให้ชื่อตามความหมายที่ประชาชนร่วมกันสร้างว่าวัดประชาคมวนารามในสังกัดคณะธรรมยุตในวันที่ 22 ตุลาคมพุทธศักราช 2508 โดยมีท่านหลวงปู่สีมหาวีโรเป็นเจ้าอาวาสปกครองและบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาณสุดที่จะกล่าวได้หมด ได้ขยายอาณาเขตจากเดิมเริ่มแรก 4 ไร่เป็น 29 ไร่และเพิ่มเป็น 314 ไร่ 2 งานการขยายอาณาเขตของสังฆาวาสเขตอุบาสิกาและแม่ชีเช่นม้าเก้งกวางนกยุงกบ ภูนาสะกวดเป็นต้นการขยายอาณาเขตวัดนั้นท่านดำริว่าที่ บริเวณข้างวัดป่ากลุ่มนี้อุดมไปด้วยสัตว์ตามธรรมชาติหาก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 สำหรับเมื่อร่างกายของท่านยังแข็งแรงดีธรรมเทศนาขององค์ท่านเมื่อร่างกายของท่านยังแข็ง 2518 พระ แลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ท่านแสดงไว้ว่าเดี๋ยวนี้โลกของเราคิดกันอยู่มุมเดียวคือ สิทธิ์ทนอันนี้หมายถึงร่างกายของเรานี่แหละคือ กำหนดวันเดินไปอยู่อย่างนั้นแต่งเดินป่าป่าดงกับก็อดทนฝ่าไปญาภูเงินท้าวศรีพลก็อด มันมะนาวลงไปปรากฏว่าจมน้ําไปเลยเลยข้าม รามแห่งภูเงินกําลังจัดงานแต่งงานนางมโนรากับพระยาภูเงิน ไปให้นางมโนราให้นางหัวฉันมาถึงแล้วพอนางมโนรามโนราหมายถึงถึงมโนหรือจิตใจของเราท้าวศรีทนหมาย แว่นธรรมรงหมายถึงท่านมีศีลหรือสติว่านานาได้มนใส่มะนาวหมายถึงวุ่นวาย เขาถีเลยไม่กลัวในการสู้กับทุกขเวทนาดันเข้าไปเลยสู้ดึงดันเข้าไปพอศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ จึงจะได้เมียคืนมาถ้าไม่เช่นนั้นเมียคือใจ โลกอันนี้ก็ ในบางคราวแม้ท่านจะอยู่ในมัชฌิมวัยย่างปัจฉิมวัยแล้วท่านยัง รัตนตรัยแม้หนเพราะท่านถือว่าที่ท่านก้าวเดิน 2511 ถึง 2514 ท่าน มีคนนับถือผีฟ้าและผีปอกมากคนนับถือผีฟ้าและผีปอบมากเมื่อไปถึงท่าน ก็เพิ่มความศรัทธาในท่านเป็นอย่างมากแล้วท่าน ท่านมาขึ้นต่อพระไรศรณคมท่านก็จะรดน้ํามนต์ให้ ท่านท่านบอกว่าเมตตาเล่าเหมือนคนเราผีที่ท่านสัมผัสได้ให้เฉพาะ จะเกรงกลัวผู้มีบุญ จนจิตใจกลายเป็นเปรตผีไปเสียทั้งหมดที่ หมิ่นเข้าไปตราบเรียนท่านก็บอกว่าก็ช่างเขาเถอะอย่าไปสนใจ เมื่อพวกนั้นก่อเรื่องราวมากเข้าถือค้อนถือมีดวังเข้ามาทำร้ายท่านท่าน ที่เราๆท่านๆนี้อาจสามารถจะรู้ได้ หมามันเห่าทางบ้านมันเห่าทางบ้านผมห่วงว่าจะมีโจรขโมยควายท่าน ไม่มีใครมาทำอะไรเราได้หรอกปืนก็ยิงไม่ออกไฟไม่ไหม้ตก เห็นคอกควายโดนขโมยเปิดไว้หมดแต่ควายไม่ออกไปจากคอก พ่อบอกว่าลูกเอ๋ยควายมันหลุดวิ่งไล่กุ่ยกันเพื่อนจริง หันหน้าไปๆ ท่านโยคปุสีมหาวีโรมักจะนําคณะศิษย์ๆ3 มุกดาหาร ท่านจะออกมาเที่ยวเจริญว่าๆ อากาศก็เบาสบายก็บ่งสบายสัตว์เสือช้างก็ยังมีให้เห็น เมื่อล้ําเลยล่ะควรตั้งจิตบําเพ็ญเพียรเพื่อ การบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อความหลุดพ้นใน มาแสดงท่านก็น้อมเอาทํานั้นให้ท่านท่านเล่าว่าแล้วก็อนตรทานจากลืมบันลืมคืนท่าน จิตแดนสวรรค์รู้เห็นเห็นความบันเทิงสุขของเหล่าเทพในสูงสวรรค์แดนนรกแดนสวรรค์โคมมโลกอองรู้เห็นความๆที่ถึงเวลาก็ๆนานา จนช่างฟั่นคือจิตไม่อาจจําผลงานคือพบ คือที่เล่ตัณหาเส้นทางดับทุกข์คือมรรคนิองค์ เมื่อถึงเวลาธาตุขันธ์ท่านจะแตกสลายตายลงเม และบางท่านแสดงการจิตติคือการอุบัติเกิด ด้วยการเสวยทิพยสมบัติแต่เมื่อถึงคราวจะพัดพรากก็ เทพยดาทั้งหลายที่รักใคร่กันเทพนารีที่เป็น ก็ไม่และจากไปอุบัติบางเกิดในสินใดนั้นปรากฏท้ายวับไปหมดสิ้นและจักไปอุบัติ เปรตอสุรกายเป็นต้นออกมาปรากฏให้เห็นด้วยการ ป่าหนามย้อย 2517 ทรัพยากรป่าไม้ๆ ต่อมามาได้พิจารณาเห็นความสําคัญของพระ ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้นจึงกราบนิมนต์ขอให้ย้อยหลวงปู่ศรีมหาวีโรเมื่อท่านพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆ หลวงปู่บุญศรีญาณธรรมโมเป็นหัวหน้าเนื้อ 50,000 ไร่ 130,000 ไร่ 300,000 ต้น 40 นาที พักอยู่ตามบริเวณเชือกเขาผาตลอดแนวอาศัยเพิง การที่คนเราจะมีบุญวาสนาได้นั้นต้องเป็นผู้ลง กลางหาวเป็นที่ไปของฝูงนกการ ขึ้นไปปริศถานบนฐานน้ำย้อยอันสูงชั้นได้อย่างน่า ท่านเน้นหนักเรื่องในกรณีนี้ท่านจะห้ามเป็นพิเศษ 5 เป็นสำคัญโดยเฉพาะประเพณีทาง ปรากฏว่าว่าฟ้าได้ถ่าเปรี้ยงลงมา 2527 ถึง 2528 ท่าน 8 9 11 เกิดประเกียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สายฝนก็ค่อยโปรยปรายลงมาและโปรยลงมาอย่าง จึงขอให้ท่านเรียกตำรวจมาอารักขาด้วยเพราะว่า ผืนทะลุไปหมดๆพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามกาเบรียนท่านว่า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 เขาจะหาว่าระเบิดด้านจะหาว่าระเบิดด้านเดี๋ยวเขาจะเอามาเคลี้ยง หลวงปู่สีมหาวีโรพูดอะไรอาจารย์สี เจดีย์ชัยมงคลบันทึกย้อยปัจจุบันวัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่สีมหาวีโร เป็นมันรวมสภิสามัคคีพิวัฒน์ป่ากุมประเทศภิสุทธิมงคลหลวงปุสีมหาวีโรได้ อาวรวัตถุสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุรูปเหมือนของครูบาอาจารย์เหล่า ในภาคอีสาน 4 ภาคเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาค ไม่ทำเฉพาะวัดเราวัดเดียวทำแล้วมันก็ฉะนั้น การกระทำในวันที่ 19 ธันวาคมพุทธศักราช 2530 ท่านได้ประชุมคณะกรรมการยงใจยุทธ เป็นประธานกรรมการต่อข้างเจดีย์ฝั่งคารวาสพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ขนาดเป 101 เมตรความสูง 109 เมตรสร้างอยู่บนเขาเขียวมีเนื้อที่ 101 ไร่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามล้อมไปด้วยธรรมชาติ ึส่งเสริมให้องค์พระมหาเจดีชัยมงคลสูงโดดเด่นสวยสนางาสามารถมองเห็นได้แต่ไกลหลายกิโลเมตรสร้างความเริื่อมใสสัทธาแจ่ผู้พบเห็นโดยความทราบซื้อขึ้นึ่งในความสวยงามยิ่งนักองค์พระมหาเจดีชัยมงคลเป็นศิลปะร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสารเป็นศิลปะกลมกลืนระหว่างพระมหาปถมเจดีและพระทัถนม ตามแต่สมัยครบถ้วนองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สูงประมาณภูมิฐานรายล้อมด้วย 3,500 เมตรรูป รอบเสา 2 เต็มไปด้วยความงามวิจิตรประการตาประดับตกแต่งด้วยสีทองทั้งทอง เป็นที่ประดิษฐานพระศาสนากาลปราสาทอีสานในอดีตเป็นรูปเหมือนแกะสลักด้วยหินอ่อนและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนทั้งหมดให้ครบ 101 องค์วิจิตรตระการทุกแง่ทุกมุมจากด้านฟ้าถึงพื้นล้วนแต่สวยงามทั้งสิ้นชั้นที่ 4 จัดไว้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแสดงวัดวาอารามตลอดจนสถานที่ปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานที่หลวงปู่สีมหาวีโรเคยบำเพ็ญมาตลอดหลายพันสา รวมด้วยผลงานต่างๆของท่าน 5 5 119 ขั้นเป็น 8 เหลี่ยม 8 ตรงกลางเพดานเป็นซุ้มกลีบบัวพุ่มประดับด้วยทองคํา มีลายไทยครอบทุกกรอบทองซึ่งความงดงามนี้เกินจะบรรยายเป็นอักษรศิลป์ได้โดยเฉพาะช่วงลานผนัง 8 ทิศระบายด้วยสีอ่อนๆทั้งสีฟ้าสีขาวเทียร์สีเทาจางหากต้องด้วยแสงไฟสลัวหรือแสงแดดอ่อนๆตอนรุ่งอรุณจะมองดูคล้ายท้องฟ้าโปร่งในราตรีอันมืดมิดแต่ไม่มีทางขึ้น เพื่อป้องกันคนคิดผิดประทุษร้ายต่อทรัพย์สินอันล้ำค่าจึงสร้างเป็นเพียงองค์เจดีย์อันแข็งแรงทิ่มนทน์เพื่อเป็นฐานรองรับยอดพระเวสัจฉัตทองคำแท้หนัก 4750 บาท 72 กิโลกรัมด้วยบุญญาบารมีอันเหลือล้นของหลวงปู่สีมหาวิโรทำให้การดำเนินการทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดี คุณวรยศเกียรพรรณเป็นกำลังศรัทธาใหญ่พร้อมทั้งศรัทธาชาวพุทธ โดยสรุปแล้วสรุปแล้วพระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้จะเป็น ทรัพยากรสัตว์ป่าและสิ่งแวด 2531 ฉบับ 43 ฉบับ เณรณณ22 ปีที่ท่านสงเคราะห์โลกอย่างเต็ม 2531 ท่าน อยากชำระภาคขันธ์ที่หมักหมมด้วยการงานมาหลาย ญาติโยมคณะศรัทธาจากประเทศออสเตรเลียนิมนต์ท่านไปร่วมงานกฐินของรัฐบาลไทยที่วัดพุทธรังสีนครซิดนีย์เช่นพระธรรมไตรโลกาจารย์พระธรรมบัณฑิตท่านไปพักอยู่ได้ 1 เดือนก็สั่งลูกศิษย์ให้โทรไปที่อเมริกา 2525 ท่านเคยเดินทางไปเผยแผ่ธรรมและมีคนที่ต้องการถวายที่ดินเมื่อติดต่อไปทางอเมริกาตอนนี้หนาวมาก แต่ท่านหลวงปู่จะไปอยู่เขาจะยกบ้านที่อเมริกาให้ สร้างกุฏิ 1,000 ไร่ ประเทศอินโดโอแต่ก่อนเป็นเมืองพระพุทธศาสนาประชาชนนับสเกิดสงครามศาสนา เพราะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความถาวรมั่นๆตั้งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคนเขา ท่านจึงปรารภว่าเอาล่ะนะสบายดีแล้วใจ ตัวถือที่ที่มานะว่าตัวเองเก่งสมเด็จพระอาจารย์สังวร ทั้งสันวารอยู่เสมอในตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันคือจับงูอยู่จับนกต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันคือจับงู ุหน้าก้งจออกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่ากเมื่อสัตว์เหล่านั้นยืแย่งกันสุดริติสุเดจที่จะความเมื่อล้าแล้วพวกมันทั้งหลายหมดเเรื่องี่วแรงต่อสู้ก็จะพึงยืนเจ่านั่งเจ่านอนเจ้าอยู่ข้างเขาเขือนนั่นเองท่านเอยเขาเขืนที่มั่นคงนั่นแหละคือกายยขตาสติส่วนจีบที่ส่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรถโพถพะและรมารม์ก็เปรียบเหมือนสัตทั้งหลายอบรมจิต เรเราทำให้มากๆเพียรพินิจพิจารณาโดยรอบคอบทำโดยสม่ำเสมอความรู้แจ้งแทงตลอดกายนี้ก็จะปรากฏส่วนความรู้ความเห็นอื่นๆอันเป็นเรื่องของมินิสก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะเราค้นพบความจริงแล้วเมื่อพระชาวอินโดได้ฟังธรรมที่เราแนะนำให้แล้วเธอก็เร่งกำหนดเข้ามาตามที่เราสอนเดี๋ยวนี้ก็ไปตั้งวัดอยู่ภูเขาเมืองลาซัม ทางอยู่บนโตอยู่คนๆ ธรรมะเข้าถึงใจใจเข้าถึงธรรมะนั่นแหละเป็นธรรมะของๆยืมๆถ้า มันไม่ 2532 เป็นต้น 44 จนถึง วัดประชาคมวนารามบ้าน 8 พฤษภาคมพุทธศักราช 2540 การก่อสร้าง 3 พฤษภาคมพุทธศักราช 2546 ซึ่ง 86 ปี ภายในกำแพงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมของผู้แสวง 5 เมตร 4 เมตร 3,500 เมตร พระอาจารย์ทองอินทกสกุลโหประธานอำนวยการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบ และไม่ๆทั้งสิ้นนอกจากกำแพงแล้วพระเจดีย์หินวัดฝางคุ้ม เพื่อเป็นการบูชาคุณแด่องค์ 5 มีนาคมพุทธศักราช 2547 งบ 100 ล้านบาทขนาดความสูง 19 เมตรกว้าง 49 เมตรมี 3 ชั้นชั้น 1 เป็นที่ประกอภิธีสังคกรรมและเป็นที่ประชุมสงชั้นที่ 2 เป็นพิวิตภัณฑ์และประวัดของหลวงปูสีมหาวีโรชั้นที่เปเป 3 บรรจุพระฟุทธรูปพระพงของปักษิตต่างการที่ผู้มิกิสธาบริจากยอดพระเจดีหินทำเป็นสเวตชัดคองคำแท้น้ำหนัก 101 บาทภายนอกชั้นที่ 1 กำหนดให้เป็นภาพ 3 ของประเทศวิสุทธิมงคลหลวงปู่สีมหาวีโรปฏิปทาของท่านปฏิบัติลำบากเสรู แม้จะทุกข์กายทุกข์ใจเกียญตายถึงน้ำตา ท่านก็ยังเที่ยวไปโปรดสิทธานุสิตตามสถานที่ต่างๆทั้งใน คนทะนาเล็กน้อยท่านก็จะให้พรเพียงเท่านั้นข้อวัฏฏบัติปฏิบัติของ พระชาติขันธ์ไม่ค่อยอํานวยแม้อยู่ในวัย 2541 เมื่อ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนประกาศตั้งโครงการทรัพปาช่วย จัดผ้าป่าช่วยชาติที่วัดป่าปุงเป็นประจํา หรือวางเสมอกันท่านจะไม่ยอมนั่งท่านจะนั่งอาสนะบางๆ จะพนมมือสุนทนาเหมือนสามเณรองค์น้อยน้อยเป็นผู้ อีกหรือไม่หนอเรามีบุญแท้เทียวจึง จะคิดจะนี่คืออะไรต้องวางแผนงานให้เรียบร้อยทุกสิ่ง ท่านคนไม่ชอบจนถึงที่จนคนทั้งหลายแทบไม่เชื่อสายตาว่าแห่ง เธอจะสร้างคุณประโยชน์ให้ชาติอีสานตันดานแล้จะสร้างคุณประโยชน์ให้ชาติ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิมพ์ธรรมทโรสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระธรรมเจดีจุมพันธุโลหลวงปู่ดูลอตุโลพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์อ่อนญาณศิริหลวงปู่เทพเทรังสีหลวงปู่บัวสิริบุญโนหลวงปู่สามอจินตโนหลวงปู่มหาบุญมี หลวงปู่ชอบหารัสโสมหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอาจารย์ นอกจากนั้นนั้นทางสำนักราชวังยังได้กราบพระทรรมานิมนต์ท่านเนื่องในงาน 5 พระอุดมสังวร 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรอุดมวัน 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2545 เป็นพระ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนพุทธศักราช 2546 โดยสมเด็จพระญาณบรมดมวัดเทศรินทรอารามกรุงเทพฯภูริทัตโต เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือผู้เป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มี 92 ปี ควรเจตของเป็นเนื้อนาบุญรับควร